เดีทใจา๋ยวเรามาฟังเคสสัตดี้กันเลยจ้า ในวัยเด็กลูกมีชีวิตค่อนข้างลำบากเพราะคุณย่าไม่ยอมรับคุณแม่ให้มาเป็นสะพายเนื่องจากตระกูลของคุณย่าคร่ำรวยและก็มีฐานะสูงกว่าคุณแม่มากคุณพ่อเป็นข้าราชการตำรวจมีฐานะดีและก็มีความรู้สูง ซึ่งคุณแม่เป็นคนมาจากตระกูลชั้นล่างแถมมีลูกติดมาด้วยคุณย่าจึงให้คุณพ่อไปแต่งงานใหม่ในช่วงวัยเด็กลูกจึงไม่รักคุณพ่อของลูกเลยครั้งหนึ่งตอ น, นเด็กๆขณะลูกกำลังเดินหาบน้ำอยู่เห็นคุณพ่อขับรถผ่านไปแล้วคุณพ่อมองหน้าลูก แล้วก็แค่พยักหน้าให้เท่านั้นแลวก็รู้สึกโกรธมากคิดในใจว่าดูเถอะพ่อของเรานะ่มีรถขับนั่งสบายแต่เราต้องมาลำบากพ่อมไม่เคยเหลียวแลเลยแค่คิดสนุกจนให้เราเกิดมาแล้วก็ไม่รับผิดชอบโลกจึงคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าวันข้างหน้าเราจะต้องรวยให้ได้ ต่อมาลูกก็เด้เขาทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งเจ้าของแก่กว่าลูกหลายสิบปีลูกนําไปได้รู้สึกรักเขาเลยเธอก็เกิดตั้งท้องตัวขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ยอมรับการเป็นพ่อของเด็กตัวลูกทั้งเสียใจและก็อับอายมากเธอก็ยังโชคดีที่คุณแม่คอยประคับประคอง คุณแม่ไม่เคยตำหนิให้เสียใจเลยแล้วลูกก็ได้ให้กาเนิดบุตรคนแรกเป็นผู้หญิงจากนั้นไม่นานเขาก็กลับมาอยู่กับลูกอีกจนมีลูกชายเดียกันอีกคนแต่เขาก็ไม่คิดอยากได้ลูกคนนี้อีกเหมือนกันเขาเคยพยายามทำทุกพิธีให้แท้งแม้กระทั่งเคยจ้างคนนี้มายิงเพื่อจะได้ไม่ต้องมีลูกเดียวกันอีก ก็จะไปยุ่งเขาซะก็กหมดเรื่องแต่ลูกแล้วเขาก็ยังทํางานอยู่ด้วยกันเราก็เห็นว่าลูกเป็นผู้หญิงที่ทํางานเกง่งมีไว้เพื่อใช้ทำงานในบริษัทส่วนตัวลูกก็จําใจทนอยู่ในสภาพแบบนี้เพื่อตั้งารมีงานทําแล้วก็มีเงินมาเลี้ยงลูกซึ่งเขาไม่เคยมารับผิดชอบให้เงินเลี้ยงดูอะไรเลยต่อมาลูกสามารถมีเงินจนตั้งบริษัทของตัวเองได้ จึงตัดสินใจเลิกกับเขาอย่างถาวรนในช่วงแรกที่ลูกทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นลูีเงินมากมายหลายสิบล้านนี่ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะจากที่ชีวิตลำเค็ญมาเป็นเศรษฐีนี่แต่รวยแล้วลูกก็ไม่ค่อยเดชทำบุญเพราะช่วงนั้นยังไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายก็เลยไม่รู้เรื่องหลักวิชาไม่รู้ว่าเกิดมาทาไม จนถึงปีพุทธศักราช2541เศรธธษฐกิจไม่ดีธุรธกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกเป็นเจ้าของกิจการเองก็ต้องล้มละลายเกิดหนี้สินขึ้นมากมายหลายสิบล้านโอ้ oh. oh. จากจนมารวยจากรวยแล้วก็มาจนพริบตาเดียวลูกเสียใจแล้วก็ทุกข์ใจมากเพราะเรากลายเป็นคนเคยรวยเป็นทันที แถมมีเจ้าหนี่คอยมาทวงเงินอีกมากมายลูกต้องขึ้นศาลบ่อยมากเพราะคดีเรื่องเช็คเด้งและถูกตำรวจมาตามจับหลายครั้งและครั้งที่ร้ายแรงที่สุดก็คือต้องถูกจำคุกในเรือนจำนานประมาณสามชั่วโมงในช่วงนั้นลูกสาวคนโตก็ได้มาอบรมที่วัดบัาประธรรมกายแล้วก็เป็นช่วงที่ ทางวัดถูกโจมตีจากสื่อมวลชนอย่างหนักลูกเป็นห่วงลูกสาวจึงเข้าวัดมาเยี่ยมลูกสาวแล้วก็ต้องการมาพิสูจน์ว่าเป็นอย่างข่าวที่เขาว่าหรือไม่ด้วยลูกสาวก็กลัวลูกจะตามกลับบ้านจึงพาไปพบกับพระเพื่อนที่มาบวชอยู่ที่วัดครั้งแรกที่ได้เห็นลูกก็รู้สึกศรัทธาลูกถามกำถามมากมายได้มาพบกับท่านหลายครั้ง จนมีความเข้าใจวัดมากขึ้นหลังจากนั้นลูกก็มาวัดอย่างสม่ำเสมอลูกได้ให้ลูกสาวเข้าอบรมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็ยิ่งศรัทธาวัดมากจึงได้บังคับลูกชายและลูกสาวบุญธรรม <c oughs> บุญธรรมนะให้ไปอบรมที่วัดด้วยทําไปป้าก็จะตัดแม่ตัดลูกกันเลย <c oughs> นับตั้งแต่นั้นมาครอบครัวของลูก ก็มีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการเงินของครอบครัวดีขึ้นตามลำดับเห็นไหมจ๊ะเข้าวัดแล้วรวยจนปัจจุบันลูกสามารถกลับไปเป็นเจ้าของธุรกิจได้อีกครั้งหนึ่ง oh. อจอนรวยจนรวยลูกจะมีบุตรอยู่แล้วสองคนแต่ก็ยังได้รับเลี้ยงลูกของนักศึกษาเป็นบุตรบันทรมอีกสองคน ค่้ายๆมีสองคนล้วไม่พอมือแต่สี่คนแล้วก็ถึงจะเพียงพอหรือพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเพียงพอดีพอแล้วเอกจากนี้ลูกยังรู้สึกคุ้นเคยกับพระเพื่อนของลูกสาวคนโตและพระอาจารย์ลูกชายอย่างมากจึงขอรับดูแลเหมือนเป็นบุตรบุญธรรมของลูกอีกด้วย ลูกมาวัดเป็นประจําทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดจะเลยนี้มาวัดเกือบทุกวันทุ่มเทการทําบุญมากๆบางครั้งแม้เมื่อทําบุญไปแล้วเงินจะหมดก็จะทําแต่ก็ไม่เคยหมดสักทีลูกอาจะคิดเสมอว่าเราเองก็เคยจนมาแล้วจะไปกลัวอะไรเราเริ่มต้นมาจากศูนย์แล้วก็มาติดลบทีซ้ํา บ้านทั้งบ้านทั้งรถก็เคยโดนเขายึดมาแล้วดังนั้นจึงไม่มีอะไรจะต้องกลัวกันอีกแล้วก็ให้มารู้กันไปว่าทําบุญแล้วจะจนเพราะที่ผ่านมาไม่เคยจนเพราะทําบุญสักทีอื <laughs> สุดยอดจริงๆเลยหลังกรถินปีนี้ลูกก็ได้ไปงานบุญที่จังหวัดศรีสะเกด วันเังไข้ก็ขึ้นสูงกินยาลดไข้ตลอดก็ไม่หายจนกระทั่งเดินทางกลับขณะอยู่ในรถไข้ยิ่งขึ้นสูงจนตัวสั่นสันขนาดเอาผ้ามากัดจนผ้าขาดก่อนจะถึงโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนั้นไม่ได้นึกอะไรแต่ภาพบุญทุกบุญที่ทมก็ปรากฏมาให้เห็นทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้นึกภาพนั้นผ่านไปเร็วมาก ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะตายหรือว่าไม่ตายรู้สึกแต่ความเจ็บปวดในร่างกายมา่ไปถึงโรงพยาบาลวัดไข้ไข้ขึ้นสูงถึง40องศาหมอก็ลงความเห็นว่าเป็นไตอักเสบช่วงนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาอยู่ตลอดจกนกระทั่งช่วงหนึ่งแวบไปเห็นเป็นเจดีแล้วก็มีเทวรถมารับ ก็คิดว่ารถมารับแล้วหรือนี่เราจะไปแล้วหรืออย่าเพิ่งไปเลยเพิ่งเขวัดได้แค่หปีคนนั้น อ, อ, อย่าเพิ่งให้ลูกไปเลยเออขอเวลาให้ลูกทำบุญสักหน่อยอีกสัก25ปีได้ไหม<อ>นี่เห็นไหมจ๊ะ<อ>แล้วก็รู้สึกเฉยเฉยขึ้นมาบอกลูกๆที่อยู่ข้างๆว่าเมื่อกี้มีเทวรถมารับแต่แม่ยังไม่ไปอ่ะหมอก็เอาน้ำเกลือมาให้ ตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนว่าหายแล้วอยู่ๆมันก็หายไปเองเฉยๆก็ได้ขอหมอกลับหมอก็ไม่ให้กลับต้องเซ็นออกจากโรงพยาบาลเองเพราะหมอก็บอกแล้วไม่รับรองนะถ้าออกไปหากว่าเป็นอะไรไปเมื่อออกจากโรงพยาบาลไปแล้วอยู่ๆมันหายไปยเฉยๆเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพไปที่โรงพยาบาลหมอก็ให้พักดูอาการแล้ว ถามว่ารอดมาได้อย่างไร่าเห็นไหมจ๊ะรอดมาได้อย่างไรเนี่ย<อ>เขาตายกันทั้งนั้นแหละ<อ>นี่รอดได้ยังไง99้าสิบเก้าในร้อยเขาตายแต่ประี่คุณเป็นคนที่ร้อยเนี่ย<อ>เลยรอดแล้วก็เมื่อกี้นี้เราเห็นไหมจ๊ะว่ามีภาพมาปรากฏตอนใกลยย้จะตายแต่เป็นภาพบุญหนึ่งนั้นเพราะว่า ท่านได้สั่งสมบูรณ์มาตลอด6ปีตลอดเลยไม่ได้ขาดเลยสักบุญหนึ่งทีนี้คนสั่งสมภาพบาปนี่สิต่อยมวยชนไก่ตีไก่ชนวัวอะไรพวกนี้เลยระวังนะที่มีความคิดตื้นๆว่าไว้ใกล้ๆตายจะทำใจให้ใสก็ยังทันมันไม่ทันนะเพราะถึงตรงนั้นเนี่ย มันนึกไม่ออกหรอกเพราะว่าภาพบาปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจนไม่ให้ช่องภาพบุญเสียบเนี่ยตรงนี้อันตรายนะกับที่คนบางท่านนะ่มีความคิดดูจานดาวทำเหมือนกันนะแต่ถ้าพูดถึงบุพกรรมหรือเคสตดี้ก็จะผ่านไปเดินไปเฉยแต่ถ้าเรื่องอื่นจะฟังลูกทำมันก็เหมือนพ่อทำละเหมือนงานไม่เหมือนกันนะลูกกินก๋วยเตี๋ยวพ่อไม่อิ่มนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องทาด้วยอย่าชะล่าใจ ส่วนมากมักจะเป็นครูเนี่ยชอบสอนคนอื่นแต่ไม่ชอบให้คนอื่นมาสั่งสอนมันดื้อ ม, มีทิฐิมันเป็นอย่างนั้นแล้วยิงทะลูกมาบอกกับฟุตึ้นมาเลยเพราะว่าเลี้ยงมากับมืออย่างงี้แน่ใครไหนจะมาบอกที่จริงลูกไม่ได้สอนแต่ลูกมาบอกมีสิ่งดีๆก็เอามาให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยลูกสาวคนที่สาเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก ตอนอนยุนถึงควบกว่าเขาเล่นบนกองทรายรถ ก, กระบะถอยมาทับเป็นรอยล้อไปถึงหลังไปโรงพยาบาลหมอเขาไม่รับรักษากลัวตับแตกโลกนึกถึงหลวงพออ่อโสธร่อยเขามีชีวิตอยู่เขานอนโรงพยาบาลอยู่สองสามวันก็หายเมื่อตอขึ้นมาเขาก็ไปคบเพื่อนไม่ดีไปติดบยมุกลพาเข้าไปรักษาก็มีอาการดีขึ้น ลูกสาวคนโตของโลกแนะนำให้เขาได้นั่งสมาธิภาเขาโมวัดเข <Okay. S 1> ากลับตัวเป็นคนดีรักบุญ <Okay. S 1> ในวันที่29 ก, กรกฎาคม2547 mm. เขาได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านปไปพบเพื่อน mm. ได้ไปเชิญกับรถกระบะแล้วก็ได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล oh. ในสุดดิ่นลนไปตายจนได้ oh. โลกไปคิดว่าเขาจะตายง่ายๆอย่างนี้เพราะก็เคยรอดตายมาหลายครั้ง oh. ในช่วงเจวันโกพยายามทาทุกบุญ อย่างเต็มที่ในี่บางทีเราจะไปคิดว่าเราจะต้องรอดเสมอเนี่ยมันไม่นะคำถามคุณพ่อและคุณแม่ลูกตอนนี้ไปอยู่ที่ภพภูมิไหนคะคตินิมิการตายเป็นอย่างไรบุญที่ทุกคนทำไปให้ได้รับไหมคะลูกและคุณแม่ทำกรรมอะไรมาเมื่อลูกเกิดมาแล้วตระกูลของคุณพ่อจึงไม่ยอมรับ ทำให้มีชีวิตที่ลำบากกรรมใดทำให้ลูกไม่สมหวังในชีวิตคู่ครองคะต้องเลี้ยงลูกแต่เพียงลำพังคนเดียวและมีพี่น้องที่เฉาริษยาทำไมเมื่อวัยเด็กลูกจนต่อมารวยแล้วก็ต้องล้มละลายแต่ก็สามารถกลับมารวยอีกได้จนรวยสลับกันอย่างนี้และกรรมใดที่ทำให้ตอนที่ล้มละลายต้องขืนสารและถูกจาคุก กี่ชั่วโมงนะสามชั่วโมงก็ไม่เรียกแคุกแล้วก็เรียกว่าเอาไปนั่งเล่นเนั่นนั่งรอหนึ่งแล้วการบันดาเป็นอุปสรรคไอ้ลูกตั้งใจทำบุญ10เอ็มแต่ไปไม่ถึงได้แค่สองเอ็มเท่านั้นจะแก้ไขด้ผังสำเร็จตลอดไปได้อย่างไรการที่ลูกเห็นเจดีคือเห็นมหาธรรมกายจจดีมีเทวรสบรรบเป็นกตินิมิตก่อนตายหรือไม่ และลูกรอดมาได้ด้วยบุญใดลูกสาวคนที่สมเสียชีวิตไปแล้วขณะนี้ไปอยู่ที่พบภูมิใดคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ฝากข้อความอะไรมาถึงครอบครัวไหมคะเธอทํากรรมอะไรมาถึงอายุสั้นและเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและเพราะเหตุใดในวัยเด็กเธอจึงก็รอดตายมาได้ในวันที่ครอบครัวไปลอยอังคารที่กลางทะเลปรากฏว่าขณะที่ลอยผมอาทิตได้รวมตัวกับปรูปร่างของคน ร่างใหญ่และยังลอยทวนกระแสน้ําด้วยเป็นเพราะเหตุใดทําไมลูกและลูกๆของลูกทั้งลูกจริงและลูกบุธรรมและลูกของน้องสาวที่รับมาเลี้ยงด้วยจึงมีบุพกรรมเหมือนกันคือไม่มีบิดาเลี้ยงดูทํากรรมอะไรร่วมกันมาหรือเปล่าคะเหตุใดลูกจึงรู้สึกคุ้นเคยกับพระเพื่อนลูกสาวและพระอาจารย์ลูกชายเป็นอย่างมากถึงกระับดูแลเป็นเหมือนบุตรบุญธรรม ลูกแลวลูกสาวคนโตที่เป็นคนทําให้ลูกเด็กมาเข้าวัดทํากรรมมาอย่างไรถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงคะและเคยร่วมบุญกับหมู่คณะและประเดีว๋วพระคุณหลวงพ่อมาอย่างไรบ้างคะาาเข้าใจฝากคำถามไปข้อสุดท้ายาาเอามาฟังฝันใด้ฝันกันจ้ะคุณพ่อตายแล้วไปเกิดเป็นภุมะเทวาสายยักษ์แม้พ่อจะผิดศีลหลายข้อ แต่บุญเก่าที่เคยทำในพระพุทธศาสนาตามมาส่งผลก่อนคือเคยบวชในระยะสั้นและบุญปัจจุบันที่ทำไว้บ้างจึงทำให้ยังไม่ไปอบายได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นจ้าคนแม่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภู ม, มะเทวา ในมู่บ้าผมมะเทวาแห่งหนึ่งที่ห่างจากคุณพ่อเพราะบุญปัจจุบันที่ทำบ้างได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าช่วงแรกที่เป็นภูมิมะเทวายากจนจ้าเศรษกรรมกาเมของแม่รวมกับกรรมที่แม่ไม่ค่อยได้ทำทานในอดีตจึงทำให้มาเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็ ลำเคนมีชีวิตลำบากตัวลูกเองก็มีเศษกรรมการเมีที่ทําทานไม่สม่าเสมอด้วยแล้วก็มีเศษกรรมที่ถือเนื้อถือตัวในอดีตท่านคุณแม่และลูกก็เคยทําแบบนี้แบบที่คุณพ่อทํากับคุณแม่และลูกในปัจจุบันนั่นแหละจ้ะเป็นภาพในอดีตของลูกที่คุณแม่และคุณลูกเนี่ย ได้เห็นคุณพ่อทำกับตัวไว้อย่างไรนั่นแหละคือภาพเก่าแนาดีของตัวตามทันไหมจ๊ะถ้าถือตัวเนี่ยจะจะเกิดในตระกูลท่านชั้นล่างนะถ้ามีมานะัฑิติถือเนื้อถือตัวเนี่ยลำบากกรรมแ น, นดีสมัยลูกเป็นผู้ชายเจ้าชู้เมื่อมีภรรยาแล้วก็มักจะไม่รับผิดชอบครอบครัววิบากกรรมนั้นเก่งทำให้ชานี้ต้องมาเลี้ยงลูกเองตามลาพัง ตี่มพี่น้องอิชาวิษยาพระตัวลูกขาดบุญที่สงเคราะห์ญาติและขาดบุญมุทิตาคือการแสดงความยินดีด้วยความจริงใจต่อญาติที่ประสบความสาเร็จใจคือพบในดีเพราะญาติประสบความสาเร็จก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจชาติการลูกสร้างบุญไม่ค่อยสม่ำเสมอต่อเนื่องคือสร้างตามอารมณ์ บางครั้งทำแล้วก็เกิดหงุดหงิดในภายหลังเมื่อบางอย่างไม่ได้ดังใจจึงเกิดเสียดายอยากทวงคืนแต่ภายหลังได้ก็เลยเมตดก็คิดได้จึงตั้งใจทาบุญใหม่โดวยวิบากกรรมนี้จึงทำให้ชีวิตของลูกรวยและจนสลับกันจะพอเราไปเสียดายภายหลังบุญมันก็หายไปจิตมันเสียดายนะ่ะแล้วไปทวงคืน ถ้าปลื้มตลอดบุญก็ไหลต่อเนื่องตลอดสมบัติมันก็จะเกิดขึ้นก็จะรวยตลอดในดีลูกเคยเป็นเศรษฐีปล่อยเงินกู้เมื่อลลกนี้ม่มีเงินจ่ายก็ยึดที่ยึดบ้านของเขาจึงทำให้ตอนที่ล้มละลายต้องขึ้นศาลและถูกจำคุกสามชั่วโมงเลยที่ลูกทำบุญได้อนไม่ถึงสิบเอ็มนั้นก็ไม่ได้เป็นกรรมอะไรมันเป็นเพียงแค่ ใจลูกมันใหญ่กว่ากาลังทรัพย์เท่านั้นแหละจ้ะให้ลูกนึกถึงทุกบุญที่ทาไปแล้วอธิษฐานเจตอบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติให้ได้ทำบุญตามที่ปรารถนาได้สาเร็จให้ทําบ่อยๆในอนาคตก็จะทําบุญได้ดังใจปรารถนาอย่างแน่นอนจ้าตอนป่วยลูกเห็นเจดีและเทวรสมารับ ก็เป็นคตินิมิตจ้ะจวนไปแล้วนั่นแหละที่ป่วยเป็นโรคตายเฉียบพลันเพราะกรรมที่ลูกประยุทธ์ที่ยึดทรัพย์ของลูกนี้ที่ไม่มีทรัพย์มาจ่ายแต่รอดมาได้เพราะบุญปัจจุบันที่ทำอย่างทุ่มเทจ้ะลูกสาวที่ยึดสั้นเนื่องจากอุปัติเหตุเพราะกรรมนายดียเป็นผู้ชายลูกเศรษฐีมินิสัยเจ้าชู้ดื่มสุรา เมืม่อเมาแล้วก็ชอบชกต่อยครั้งหนึ่งมีเรื่องธรรวิวาทโดยยกพวกไปทำร้ายอีกฝ่ายตายเลยจ้ะเมื่อตายแล้วช่วงแรกไม่รู้ตัวโซซัดโซเซกลับมาบ้านแล้วก็ได้รับบญที่แม่ทมทิต์ให้อย่างเต็มที่ตลอดเวลาอย่างถูกหลักวิชามาภายหลังกายละเอียดก็หายงงสับสนหายงงหายสับสน เริ่มรู้ตัวและสว่างขึ้นแล้วก็ได้มาที่มาหาธรรมกายเจดีตามที่แม่บอกอแต่ก็ไม่รู้จะทําทอะไระจึงมานั่งทําใจให้สงบที่บ้านยายและที่มาหาธรรมกายเจดี ก, กระทั่งวันที่เจได้เห็นทางสว่างจึงเดินตามไปตามทางนั้นแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดา มีวิมานทองของชั้นดาวเดึงเศสสามพราะกำลังบุญและความเข้าใจในเรื่องบุญมีเพียงแค่นี้จึงมาได้แค่นี้ไม่อาจไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษได้ก็ให้ลูกทําบุญฤทธิ์ไปให้อีกนะจ๊ะเขาจะทำให้มีสภาพดีขึ้นที่ตอนเด็กรราตายมาหลายครั้งเพราะบุญที่เขาเคยสังเคราะห์ญาติช่วยเหลือคนเจ็บป่วย ร, ร, รวมทั้งพระเนนด้วย วันลอยอังคารอธิธาต์ที่มีปรากฏการณ์คล้ายผงอธิโรนตัวไปร่างคนและเข้าใจว่าลอยทนน้ำก็เป็นเรื่องปรากฏการณ์ธรรมดาบวกกับความคิดไปเองจะอย่าไปสนใจเลยไม่มีอะไรตัวลูกลูกของลูกและลูกบนธรรมต่างก็มีเศษกรรมการมีคล้ายกันแต่ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะตัวลูกเองจะมีมากกว่าจึงทำให้ไม่มีบิดาเลี้ยงดูในปัจจุบันแต่ว่าไม่ได้ทำกรรมร่วมกันจ้ะพระเพื่อนของลูกสาวและพระอาจารย์ของลูกชายในอดีตทั้งสองท่านเคยเป็นกัลยานในเมตตาต่อตัวลูกและลูกสาวลูกชายจึงเป็นเหตุให้คุ้นเคยและสนิทสนมกันจ้ะอดีตกาลยมิเก่า ลูกและลูกสากวคนโตที่เกิดเป็นผู้หญิงเพราะกรรมการมีเจ้าชู้ตอนเป็นผู้ชายดังกล่าวเลยจ้าตัวลูกเองชาติท่ผ่านมาก่อนเข้าวัดก็เป็นคนตระนี่ไม่ได้สร้างบุญต่อมาได้กระหมิคือพระอาจารย์สองรูปดังกล่าวนั่นแหละเป็นคนชวนเข้าวัดสร้างบุญโดยตัวแรกเนี่ยจะเป็นคนขี้งุดงิดขี้งอนงอนเงีง่ย เมื่อไปได้ดังใจก็นึกเสียดายเงินที่ทำบุญไปแต่ต่อมาก็ททำใจใผ่องใสาตามคำแนะนำของกรรยาณมิตรสองท่านจึงทำบุญใหม่อย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำหน้าที่เป็นกองสบเสบียงของหมู่คณะมาตลอดจ้ะลูกษาคนโตในอดีตคือลูกพี่ลูกน้องอริญาติสนิทของตัวลูกเองเละจ้ะและเป็นผู้เริ่มต้นชักชวนเขาวัดให้มาเจอพระอาจารย์คล้ายๆกับในคล้ายๆกันกันในชาตินี้ ได้ได้ทำหน้าที่เป็นกองสเสบียงให้กมูคณะมาจาเรามาดูภาพกันหน่อยคุณพ่อตายแล้วเป็นภูมิเทวาสายยักษไม่จะผิดศีลหลายข้อแต่บุญเก่าที่เคยทำในพระพุทธศาสนาตา ม, มาส่งผลก่อนคือเคยบวชในช่วงสั้นและบุญปัจจุบันที่ทำไว้บ้างทำให้ไม่ไปอบาย ไดรับุญที่วิตทิตไปให้จึงทําให้มีสภาพที่ดีขึ้นคุณแม่ตายแล้วไปเป็นภุมมะเทวาในหมู่บ้านภุมมะเทวาแห่งหนึ่งห่างจากพ่อเพราะบุญปัจจุบันที่ทําบ้างได้รับบุญที่อุตทิตไปให้จึงทําให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าช่วงแรกที่เป็นภุมมะเทวายากจนโอ้ตอนเป็นบุรดุยากจนแล้วไปอยู่ในปัโลกยากจนอีกตายเลยลําเค็นในชีวิต เศษกรรมกา ร, รมเมงแม่กรร ม, กรรมที่แม่ไม่เคยเด็ทําทานในอดีตจึงทําให้เกิดมาเป็นผู้หญิงลําบากสรุปเศษกรรมกา ร, ร ม, มีทําทานไ่สม่ำเสมอและมีเศษกรรมที่ถือตัวในอดีตทั้งคุณแม่และลูกเคยทําแบบที่คุณพ่อทํากับคุณแม่และตัวลูกในปัจจุบันนี่แหละเคยทําแบบที่คุณพ่อทำครับก็ในอดีตสมัยลูกเป็นผู้ชายเจ้าชู้ เมื่อมีภรรยาแล้วไม่รับผิดชอบครอบครัวทําให้ชาตินี้ต้องเลี้ยงลูกตามลําพังที่มีพี่น้องอิจฉาริษยาเพราะตัวลูกขาดบุญที่สงเคระาะห์ญาติและขาดบุญมุติตาคือการแสดงความยินดีด้วยความจริงใจต่อญาติที่ประสบความสําเร็จเช่อก็อลูกสร้างบุญไม่สม่ําเสมอต่อเนื่องคือสร้างตามอารมณ์บางครั้งทําแล้วก็หงุดหงิด ในภายหลังเมื่อบางอย่างไม่ได้ดังใจจึงเกิดเสียดายอยากทวงคืนแต่ภายหลังได้กรมิดก็คิดได้จึงแต้งใจทำบุญใหม่ทำให้ชีวิตของลูกรวยจนสลับกันไปในอดีตลูกเคยเป็นเศรษฐีปล่อยเงินกู้เมื่อลูกนี้ไม่มีเงินจ่ายก็ยึดที่ยึดบ้านของเขาทำให้ตอนที่ล้มละลายต้องคืนสารและถูกจาคุกสามชั่วโมงที่ลูกทาบุญได้ไม่ถึงสิบเอ็ม เป็นเพียงใจใหญ่กว่ากำลังทรัพย์เท่านั้นให้นึกถึงทุกบุญที่ทำไปแล้วอติฐานจิตเอาบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติให้ได้ทำบุญตามที่ปรารถนาให้ทำบ่อยๆในอนาคตจะทาบุญได้ดังใจอย่างแน่นอนบุญนี้เราต้องทำนะจ๊ะแล้วก็ต้องทำบ่อยๆด้วยอย่าไปคิดว่าอาวบัดชวนทำบุญนีกแล้วก็ไม่ชวนทำบุญหรือจะชวนทำอะไร ไอทีทางโลกเขาชวนตื่นเล่าสูบบุรีเล่นการพนันยาเสพติดอะไรต่างไม่เห็นมีปัญหาแต่พะชวนทําความดีมีปัญหานี่มันแปลกเนาะตอนป่วยลูกเห็นเจดีแล้วเทวรสมารับเป็นคาตินิมิตที่ป่วยเป็นโรคไตเฉียบพลันเพราะกรรมที่ลูกประยุทธ์ที่ยึดทรัพย์ของลูกนี่แต่รับไม่ได้เพราะบนปัจจุบันที่ทําอย่างทุ่มเท ลูกสาวที่ยุสั้นเนื่องจากอุบัติเหตุล้วกํามเนรดีเป็นลูกชายเศรษฐีมินิสัยเจ้าชู้ื่มสุราเมื่อเมาแล้วก็ชอบชกต่อยครั้งหนึ่งมีเรื่องทะเลาะวิวาทได้ยกพวกไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งตายน่ตายแล้วช่วงแรกไม่รู้ตัวโซซัสโซเซกลับมาบ้านและก็ได้รับบุญที่แม่มธรรุทิตให้อย่างเต็มที่ตลอดเวลาอย่างถูกหลักวิชา ภายหลังกายละเอียดหายงงเริ่มรู้ตัวและสว่างขึ้นได้มาที่มหาธรรมกายเจดีตามที่แม่บอกแต่ก็ยังไม่รู้จะทําอะไรยังมานั่งทําใจสงบที่บ้านยายและที่มหาธรรมกายเจดีกระทั่งวันที่7ได้เห็นทางสว่างจึงเดินไปตามทางนั้นแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสาม พระกำลังบุญและความเข้าใจเรื่องบุญมีเพียงแค่นี้ให้ลทําบุญดุทิศไปให้อีกจะทำให้มีสภาพดีขึ้นตอนเด็กกรอดตายมาหลายครั้งเพราะบุญที่เขาเคยสงเคราะห์ญาติเฉลื่ยเขาเจ็บป่วยรวมทั้งพระเนนด้วยว่าลอยคายกับปรากฏการคล้ายผงอธิรวมตัวเป็นร่างคนและเข้าใจว่าลอยทนนเะป็นเรื่องปรากฏการธรรมชาติบวกกับความคิดไปเองเท่านั้นแหละ อย่าไปสนใจเลยนะจ๊ะตัวลูกลูกของลูกและลูกบุญธรรมตามิเศษกรมการมีคล้ายกันแต่ไม่เท่ากันโดยเฉพาะตัวลูกน่ะมีมากกว่าทําให้ไม่มีบิดาเลี้ยงดูในปัจจุบันไม่ได้ทํากรรมร่วมกันนะจ๊ะพระเพื่องลูกสาวและพระอาจารย์ลูกชายในอดีตทั้งสองท่านเคยเป็นอะไรเบียดให้กับตัวลูกลูกสาวลูกชายจึงเบีดให้คุ้นเคยและสนิทสนมกัน ลูกและลูกสาวคนโตเกิดเป็นผู้หญิงพระกรรมการมีเจ้าชู้ตอนเกิดเป็นผู้ชายดังกล่าวลหรอจ้าตัวลูกเองชาติที่ผ่านมาก่อนเข้าวัดก็เป็นคนตรนีไม่ได้สร้างบุญต่อมาได้กระไรมิดคือพระอาจารย์สองรูปดังกล่าวเป็นคนชวนเข้าวัดสร้างบุญโดยตอนแรกนะขี้งดหยิตงอนเมื่อไม่ได้ดังใจก็เลกเสียดายเงินที่ทาบุญไป แต่ต่อมาทำใจใผ่องใสาตามคำแนะนำของกัลยาณมิตรสองท่านจึงทำบุญใหม่อย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำหน้าที่เป็นกองสเสบียงของหมู่คณะมาตลอดลูกสาวคนโตในอดีตก็คือลูกพี่ลูกน้องปริยาติสนิล ข, ของตัวลูกเองและเป็นผู้เริ่มต้นชักชวนเข้าวัดให้มาเจอพระอาจารย์คล้ายๆกับในชาตินี้แต่ทาหน้าที่เป็นกองสบียงให้กับหมู่คณะจา นี่ก็เป็นเรื่องราวของแคสตี้สั้นๆใไจ๊ะ